เราได้สาธยายความเป็นรูปกับนามที่มีอยู่ในโลกเมื่อรวมกันอยู่ในวงเล็บกายปรุงแต่งกันอยู่ในวงเล็บสังขารทั้งหลายให้เข้าใจชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นและเรากําลังอธิบายอย่างพิสดารทั้งวิจัยวิจารณ์ทั้งร้อยมาลายให้เห็นเป็นพวงเล็กพวงน้อยไปเรื่อยพึงชมพึงดูเอาเถิดเราเน้นถึงการยึดรูปยึดนาม ซึ่งใครยิ่งจําก็ยิ่งยึดหรือยิ่งประทับใจก็ยิ่งฝังกิเลสความชอบนั้นลงไปในอนุยัยคนผู้อาวิชาอยู่จะไม่รู้ว่าตนยึดมันอยู่จึงยังไม่ปล่อยยังปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่เป็นหรือแม้บางเรื่องคุณไม่อยากจํามันแต่ถ้าลึกๆคุณติดใจมันมันก็คือฝังใจอยู่นั่นเองนั่นแหละ คืออุปปาทานที่ยึดมันยิ่งยิ่งขึ้นเมื่อยิ่งยิ่งขึ้นมันก็ตกผลึกลงไปฝังอยู่ในใจลึกสุดเป็นอนุสัยที่คุณไม่สามารถยังลงไปรู้ตัวมันในวงเล็บอันคอนเชียสมันฝังลึกในก้นบึ้งของจิตขั้นที่คุณยังลงไปรู้มันเข้าไปถึงเข้าไม่ถึงมันเข้าไปไม่ถึงมัน เพราะมันอยู่ลึกลงไปในก้นบึ้งของใจสุดๆถึงขั้นที่สแต่ศาสนาพุทธมีวิธีศึกษาปฏิบัติของตนเองเฉพาะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ซึ่งสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงจิตสำนึกขั้นลึกสุดแค่ไหนก็รู้จักรู้แจ้งรู้จริงตัวมันได้ชนิดที่เห็นในวงเล็บปัสติด้วยการสัมผัส ถ, ถึงขั้นมี การสัมผัสโดยการกระทบในวงเล็บปฏิฆะสัมผัสโส ซ, ซึ่งมีปัญญาของตนเองกับจิตของตนเองชนิดที่สัมผัสโดยการกระทบกันในองเล็บปฏิฆะสัมผัสโสอย่างเป็นจริงเป็นสิ่งสองสิ่งกระทบกันปัญญานี้เป็นความรู้พิเศษที่เรียกว่าญาณบ้างวิชาบ้างในองเล็บ เรียกว่าคุณวิเศษเป็นอุตริมนุสธรรมปัญญาของเราเองจะสัมผัสโดยการกระทบกับจิตหรือเจตสิกหรือรูปหรือนิพานของเราเองซึ่งภาวะของปัญญาของเราเป็นตัวรู้จึงเรียกว่านามส่วนภาวะตัวถูกรู้นั้นก็คือจิตหรือเจตสิกหรือรูปเราเองอีกแหละ จึงเรียกว่านามรูปในวงเล็บรูปที่เป็นนามธรรมในจิตเป็นรูปในปรัชญธรรมในวงเล็บความจริงขั้นสูงพิเศษได้แก่รูป28ในวงเล็บมหาภูต ร, รูป4บวกอุปาทายรูป24เช่นปัญญาของผู้ปฏิบัติจเจริญถึงขั้นมีประสิทธิภาพเข้าสู่โลกอุตรภูมิ สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความจริงขั้นสูงพิเศษในองเล็บปรมา ธ, ธรรมคือได้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นจิตของตนที่มีอาการเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในภาวะที่ตนเคยติดยึดนั้นๆขึ้นมาเป็นปัญญาที่นับว่าเหนือกว่าปัญญาของมนุษย์สามัญทั่วไปธรรมดาปกติจึงเรียกว่าคุณวิเศษ ซึ่งเป็นปัญญาของมนุษย์ขั้นอาริยบุคคลปัญญาชนิดนี้เป็นข้อที่หในวิปัสนาญาณ9ชื่อว่านิพพานิพิทานุปัสนาญาณวิปัสนาญาณเ้นั้นก็มีอุทยพยานุปัสนาญาณพังคานุปัสนาญาณพยตูปัฏฐาน นายานพยะตูปัฏฐานญายาน <c oughs> พยะพยะตูปัฏฐานนายานุอาทีนวานุปัสนาญ น, นิพิธานุปัสนาญมุลจิตุการรมยตายานปฏิสังขานุปัสนาญาสังขารูปเปกขายาน สัจจานุโรมิกยานปัญญาที่มีคุณวิเศษถึงขั้นวิปัสนาญาณเป็นพลังทางจิตเป็นพลังงานทางจิตซึ่งมีพลังทั้งปัญญาและทั้งเจโตก้าวหน้าเจริญขึ้นเจริญขึ้นทั้งสองนี่แหละคือฌานที่มีฤทธิ์เผากิเลสนิพพานุปัสนาญาณ น, นั้นจัดเป็นจิตลักษณะของพลังปัญญา คือตัวปัญญาเจริญเป็นพลังในวงเล็บปัญญาวิมุตตซึ่งเป็นภาวะของพลังรู้ที่เก่งขึ้นชัดจริงแก่ใจยิ่งขึ้นในวงเล็บวิภูตะเป็นอำนาจและอาการของความรู้สึกในวงเล็บเวทนาขั้นนี้มันเป็นความรู้สึกที่เจริญปัญญาลึกล้ำยิ่งยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นอารมณ์ในวงเล็บเวทนาแท้ๆที่มีอาการทั้งเบื่อทั้งหน่ายสูงขึ้นไปอีกในวงเล็บเวทคูนั่นคือตัวจิตเองที่มีลักษณะเจโตมันเกิดเจริญเป็นพลังของเนื้อจิตแท้ๆสลายตัวเปลี่ยนสภาพไปในวงเล็บเจโตวิมุติเจริญก้าวหน้าขึ้นต่อไปอีกซึ่งเป็นอาการเปลื่องปล่อยจิตของตนที่ มันเคยติดยึดนั้นๆออกไปในวงเล็บมุลจิติในวงเล็บมุลจติจิตหรือเจโตเกิดพลังงานในตนเองเป็นความเจริญก้าวหน้าของจิตใจต่อจากอาการเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในวงเล็บนิพิธาในวงเล็บนิ พ, พินทติเป็นปล่อยวางแท้ในภาวะที่จิตมันปล่อยวางในวงเล็บ มุญจนะนี้เราก็เห็นในวงเล็บปสติจิตที่เปลื่องปล่อยนี้ของตนด้วยจึงเรียกว่าญาณเป็นญาณชนิดที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงภาวะจิตของเราที่เป็นไปได้ถึงขั้นนี้ก็เรียกปัญญาวิปัสนาญาณชนิดนี้ว่ามุญจิตุกรรมยตายานญาณชนิดนี้แลคือวิปัสนาญาณเกข้อที่6 ความเจริญคืออินทรีย์ของปัญญาที่ทวียิ่งขึ้นเป็นปัญญินทรีย์อภิวัตพัฒนาขึ้นเป็นลำดับลาดับเกิดอำนาจในองเล็บวะสระหรืออธิปไตยของปัญญาแท้ๆที่กำจัดกิเลสไปได้สำเร็จจะไม่ใช่อำนาจสะกดจิตลงไปลงไปหรือการกดข่มหรือการบังคับเ้ืยอเรียวได้แรง ซึ่งก็ต้องเรียนรู้ในขณะที่จิตตื่นอยู่ในวงเล็บชาคริยานุโยคะและมีสัมผัสสามอันเป็นปัจจุบันธรรมของรูปกับนามที่เกิดเกิดวิญญาณอยู่ตามปกติของคนมีชีวิตธรรมดาทั้งหมดนั้นอยู่ในฐานของจิตสามัญสำนึกในวงเล็บคอนเชียส อันเป็นปรากฏการณ์จริงที่ครบถ้วนรูป28กับนามหพร้อมให้ปฏิบัติตามคำตรัสของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกเล่ม16ข้อ14เรื่องนามกับรูปในองเล็บนามรูปศา ส, สนาพุทธจะปฏิบัติในขณะที่ชีวิตประพฤติอยู่กับฐานจิตสามัญสำนึกเสมอตลอดไปทุกขั้นตอน ทั้งขั้นต้นขั้นกลางขั้นปลายล้วนอยู่ในฐานจิตสามันสำนึกในองเล็บคอนเชียสมีภาวะตื่นอยู่ในองเล็บชาครีไม่ต้องหลับตาเข้าไปอยู่ในภวังจึงจะชัดจึงจะลาดลุ่มลึกลงไปโดยลำดับเหมือนมหาสมุทรหรือฝั่งทะเลไม่ปุ่มปุ่มปัมปัมไม่สะดุด มีการศึกษาไปตามลำดับในวงเล็บอนุปุปพระสิกขาในวงเล็บอนุปุปพระสิกขามีการกระทำไปตามลำดับในวงเล็บอนุปุปพระกิริยามีการปฏิบัติไปตามลำดับในวงเล็บอนุปุปพระปฏิปทานี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาก่อนในวงเล็บอัจฉริโย พุทธธรรมโมซึ่งมีบันทึกอยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม23ข้อ109ชัดๆดังนั้นจึงต้องเริ่มต้นขั้นที่หนึ่งจิตสามัญสำนึกในองเล็บคอนเชียสเสมอไล่ลำดับลำดับไปไล่ลำดับลำดับเป็นขั้นๆไปซึ่งวิธีปฏิบัติหรือทฤษฎีอย่างนี้ มันแปลกอัศจรรย์พิเศษแตกต่างไม่เคยไม่มีใดอื่นเหมือนเลยเห็นมีแต่ในศาสนาพุทธเท่านั้นในโลกวิธีปฏิบัติหรือทฤษฎีของศาสนาใดอื่นไม่มีพระพุทธเจ้าก็ตรัสยืนยันไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม25ข้อ30แน่วแน่ชัดเจนพระองค์ทรงยืนยันว่า มีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นในองเล็บเอเซวามโคไม่มีทางอื่นในองเล็บนัทถันโยหรือในเล่มสิบข้อหนึ่งร้อยสาสิบปดพระพุทธองค์ก็ทรงยืนยันไว้แน่แท้อีกว่าในธรรมวินัยใดไม่มีอริยมรรคประกอบด้วยองแปดในธรรมวินัยนั้นไม่มีสมณะที่หนึ่งในองเล็บโสดาบันสมณะที่สอง ในองเล็บสกิทาคามีสมณะที่สามในองเล็บอนาคามีสมณะทีส่สในองเล็บอรหัน์ในธรรมวินไนใดมีอริยมรรคประกอบด้วยองค์8ในธรรมวิไนนั้นมีสมณะที่หนึ่งในองเล็บโสดาบันสมณะที่สองในองเล็บสกิทาคามีสมณะที่ส ม, นนสมในองเล็บอนาคามี สมณะที่สี่ในวงเล็บอรหันตูกราสุพัทธะในธรรมวินัยนี้ในวงเล็บพุทธะมีอริยมรรคประกอบด้วยองค์8ในธรรมวินัยนี้เท่านั้นมีสมณะที่หนึ่งในวงเล็บโสดาบันสมณะที่สองในวงเล็บสกิทาคามีสมณะที่สในวงเล็บอนาคามีสมณะที่สในวงเล็บอรหันต ลัที่อื่นๆในองเล็บไม่ใช่พุทธว่างจากสมณะผู้รู้ทั่วถึงในองเล็บสุญญาปรับในองเล็บสุญญาปรัปวาทธาสมเนภิสมเนภิอัญยันอันเยหิ ในองเล็บสุญญาปร ะ, ประวาธาสมเนกิอันเยหิในองเล็บสุญญาปร ะ, ประวาธาสมเนพิ อันเยหิเห็นไม่ว่าพระพุทธองค์ทรงยืนยันว่าลัทธิอื่นหรือทฤษฎีวิธีปฏิบัติแบบอื่นนอกจากศาสนาพุทธไม่มีอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดจึงไม่มีอาริยบุคคลเด็ดขาดหรือแม้จะเป็นชาวพุทธแต่ถ้าเรียนรู้อริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดไม่สัมมาทิฐิจริง คือยังมิจฉาทิฐิอยู่ก็ไม่สามารถบรรลุเป็นสมณะที่หนึ่งสสสหรือไม่สามารถบรรลุเป็นอาริยบุคคลสี่ได้เลยคำว่าทางนี้ทางเดียวเท่านั้นแม้แต่ชาวพุทธที่นับถือมรรคองค์8กันอย่างเทิดอย่างทูล น, นี่แหละต่อให้สัมมาทิฐิคือพ้นมิจฉาทิฐิแล้วแต่ปฏิบัติไม่สัมมาปฏิบัติ หรือปฏิบัติก็ไม่พ้นศิลปตะปรามาสในวงเล็บปฏิบัติไม่เอาจริงไม่ไม่ปฏิบัติให้เกิดผลสักทีได้แต่รูปรูปคลำคลำล่อหลแหล่ๆ่เล่นๆอยู่ไม่ลงมือปฏิบัติจริงจังเต็มที่จึงเป็นสมณะที่หนึ่งสมสีมีอาริยบุคคลไม่ได้ วิธีปฏิบัติหรือทฤษฎีวิเศษยิ่งเยี่ยมของพระพุทธเจ้านั้นที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นทฤษฎีที่มหัศจรรย์ไม่เคยมีมาก่อนในโลกมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะเป็นผู้รู้ยิ่งทฤษฎีนี้ที่จะเป็นรู้มีพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าเท่านั้น ที่จะเป็นผู้รู้ยิ่งทฤษฎีนี้ไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ประกาศทฤษฎีนี้ทั้งหมดเหมือนกันทุกพระองค์เพราะเป็นของเฉพาะศาสนาพุทธแต่หนึ่งเดียวเท่านั้นนอกจากศาสนาพุทธไม่มีเลยในศาสนาอื่นตลอดทุกยุคทุกสมัยที่พึงอุบัติขึ้นในโลกไม่ว่าโลกลูกไหนลูกไหนที่จะพึงมีมนุษย์และถึงคลา ที่จะต้องมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกนั้นแต่ละโลกแต่ละโลกในมหาเอกภพความมหัศจรรย์ยิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในงเล็บ อ, อัจฉริยาอัศตังอัพพุทธธรรมมาในประเด็นที่ว่าเหมือนมหาสมุทรลาดลุ่มลึกลงไปโดยลำดับไม่โกรกชันเหมือนเหว มีการศึกษาไปตามลำดับในองเล็บ อ, อนุปุปพระศิขามีการกระทําไปตามลำดับในองเล็บ อ, อนุปุปพรกิริยามีการปฏิบัติไปตามลำดับในองเล็บ อ, อนุปุปพปฏิปทานั้นเป็นไปตามลำดับอย่างน่ามหัศจรรย์จริงๆซึ่งผู้ใดปฏิบัติถึงซึ่งผู้ใดปฏิบัติไม่ถึงขั้นปรมัธิธรรมในองเล็บจิตเจตสิก รูปนิพานจนเป็นจริงสูงส่งลึกล้ำจนเป็นจริงสูงส่งลึกล้ำยิ่งกว่าสามัญปุถุชนก็ไม่เป็นคุณวิเศษในวงเล็บอุตริมนุสธรรมแท้จึงไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงนามธรรมาอันเป็นจิตในจิตเป็นอันขาดศา ส, สนาพุทธปฏิบัติไปตามลำดับ ต้องปฏิบัติกำจัดกิเลสในจิตสำนึกขั้นต้นสามัญในองเล็บคอนเชียสนี้ก่อนแล้วจึงจะกำจัดตัวกิเลสขั้นที่สองที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกในองเล็บซับคอนเชียสต่อไปได้เป็นลำดับลำดับไม่เช่นนั้นมันไม่มีหางไม่มีอุบายอื่นใดที่จะสามารถสัมผัสกิเลสได้เป็นความจรงิงมีภาวะจริงทนทษหลั ด, ลดครบถ้วนการตื่น ชาคริยาในองเล็บ ก, การตื่นอยู่เป็นนิดและมีชีวิตที่เต็มสติมันโตในองเล็บเต็มสมบูรณ์ด้วยความประรึกรู้ตัวครบพร้อมทุกทวารทั้งภายนอกภายในวิธีปฏิบัติของพระพุทธเจ้ากําจัดกิเลสในภาวะที่เป็นจิตสํานึกจิตสามัญสํานึกในองเล็บคอนเชียตซึ่งเป็นขั้นที่เกิดอยู่ตามวิ ชีวิตปกติคนตื่นลืมตามีชีวิตสามัญรับรู้ภายนอกอยู่เป็นธรรมดาสามัญลืมตาเพ่งเข้าไปภายในอ่านจิตตรวจจิตทำกับจิตของตนทำใจในใจในวเล็บมณสิกโรติได้และเป็นจิตระดับขั้นต้นให้ลดลงหรือหมดไปได้ก่อนอื่นเป็นฌานซึ่งไม่ใช่การหลับตา เพ่งลึกเข้าไปข้างในจิตภวังจนตัดขาดข้างนอกไปรู้ข้างในไม่รับรู้ข้างนอกแล้วจึงจะชื่อว่าเข้าฌานการเข้าฌานหรือแม้การเข้าสมาธิในวงเล็บสมาปติแบบพุทธนั้นจะเจริญเข้าไปเรื่อยๆในชีวิตปกติและปฏิบัติลืมตาสามัญอยู่กับชีวิตธรรมดามีภายนอกสัมพันธ์สัมผัสกับอยู่ มีภายนอกสัมพันธ์สัมผัสผอยู่พร้อมและแต่ละระดับแต่ละฐานะต่างก็ปฏิบัติอยู่ครบกรรมการกระทําการงานทั้งขณะมีอาชีพในวงเล็บอาชีวะทั้งขณะมีการกระทําทุกอย่างพร้อมกายวาจาใจายอยู่ในวงเล็บกรรมมันตะทั้งขณะพูดจาอยู่ในวงเล็บวาจาทั้งขณะ นึกคิดทั้งขณะนึกคิดขบคิดอยู่ในองเล็บสังกับปะฌานหรือสมาธิแบบพุทธไม่ต้องปลีกเวลาไปเป็นพิเศษต่างหากเพื่อปฏิบัติซึ่งต้องหยุดงานหยุดการกระทำทางกายกรรมท า, ทางวจีกรรมหมดและต้องหลับตาเข้าไปอยู่ในภพภายในไม่รับรู้ภายนอกมิใช่เช่นนั้น ฌานแบบพุทธนั้นปฏิบัติอยู่ก็ปฏิบัติในขณะลืมตามีสติรู้ตัวทั่วพร้อมทุกทวารทั้งภายนอกทั้งภายในครบแล ะ, จะเจริญผลแล้วจเจริญผลไปเรื่อยๆตามลำดับๆจนกว่าจะหมดสิ้นกิเลสหรือแม้จิตเราจะหมดกิเลสขั้นต้นนี้ไปแล้วชีวิตเรา ก็ยังมีสัมผัสโลกธรรมอยู่เป็นปกติสามัญเหมือนเดิมก่อนก็มีหลังก็มีแต่ถ้าว่าจิตขั้นต้นที่เป็นสามัญสำนึกนั้นว่างจากกิเลสขั้นต้นนี้ได้แล้วคนผู้นี้ก็ยังอยู่กับโลกคนผู้นี้ก็ยังอยู่กับโลกธรรมนั้นอยู่ไม่ได้หนีเข้าป่าห่างไกลไปจากโลกธรรมหลบลี้โลกธรรมไปไหน ไม่เหมือนผู้ปฏิบัติที่มีแนวคิดหนีเข้าป่าเข้าถ้ำไปปฏิบัติธรรมหนีสังคมโลกธรรมแต่ก็ไม่ใช่ว่าผู้ปฏิบัติธรรมจะไม่งดไม่เว้นไม่เว้นขาดเอาเสียเลยหรือจะคุกคีเกี่ยวหรือจะคลุกคลีเกี่ยวข้องอะไรต่ออะไรไปเสียหมดพุทธก็มีการหลีกเลี่ยงในวงเล็บอารติการงดวีรติ การเว้นปฏิวีรติการเว้นขาดเวรมะนีพุทธก็มีการหลีกเลี่ยงในวงเล็บอารติการงดในในการงดในวงเล็บวีรติการเว้นในวงเล็บปฏิวีรติ การเว้นขาดในวงเล็บเว ร, รมะนีปฏิบัติอยู่ในบ้านในสังคมนี้แหละก็ต้องมีการสมาทานในสิ่งส่วนที่ต้องลดต้องละต้องเลิกโดยการเว้นขาดในวงเล็บเว ร, รมนีมีการกำหนดกรอบสมาทานปฏิบัติเป็นการพรากไม้ที่ชุ่มด้วยยางออกจากน้ำไปตามลำดับแต่ละฐานะที่ไม่เท่ากันซึ่งก็ต้องไม่คลุกครี งดเว้นไม่เกี่ยวข้องต้องห่างพรากสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยทางภายนอกที่เราจะเรียนรู้ในการพรากนั้นๆไปตามฐานะแต่ละคนเพื่ออ่านจิตใจให้เห็นกิเลสที่ดิ้นรนได้ง่ายชัดเจนตามอุบายโกศลของพระศาสดาการปฏิบัติตามอุบายโกศลนี้การปฏิบัติตามอุบายโกศลในนี้ เป็นไปตามลำดับลาดลุ่มเหมือนฝั่งทะเลไม่สะดุดไม่โคลเคลกไม่โกรกชันเหมือนเหวและการปฏิบัตินั้นก็มีหลักมรคอันมีอง์8ที่จะเจริญอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาเกิดอธิมุตโตไปตามลำดับศีลห้าคือฐานปฏิบัติเพื่อโซดาปฏิผล ศีล8ก็ฐานปฏิบัติเพื่อสกิทาคามีผลศีลสิบก็ฐานปฏิบัติเพื่ออนาคามีผลศีลโอวาทัปปศีลโอวาทัปติโมกคือฐานปฏิบัติเพื่ออรหัตผลอันมีศีลเป็นบาตรฐานให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญาวิมุตต์ไปแต่ละคนแต่ละคนตามฐานะของแต่ละฐานะอย่างเป็นปัจจัยาการมีลําดับลําดับ ซึ่งเชื้อเชิญให้ใครมาดูได้ในองเล็บเอฮิปัสิโกปฏิบัติแบบพุทธไม่ต้องหนีโลกไม่ต้องหลบไปหาที่ปฏิบัติต่างหากจากชีวิตสามัญประจำวันก็จะเกิดสามัญญผลได้อย่างลาดลุ่มเหมือนฝั่งทะเลไปตามลำดับน่าอัศจรรย์ด้วยวิถีเช่นนี้ก็จะพัฒนาอธิจิตอธิปัญญา จเจริญทั้งกายวาจาโดยเฉพาะใจผลคือกายวาจาใจจะทำได้ตามข้อศีลที่สมาทานนั้นๆไปเป็นปฏิสัมพัทธ์กันกระทั่งเป็นผลสำเร็จก็เป็นอธิศีลสมบูรณ์โดยบรรลุสมบูรณ์ผู้บรรลุสมบูรณ์ก็เป็นศีลระบุคคลในวงเล็บคนมีศีล กล่าวคือผู้ปฏิบัติเป็นผู้มีศีลถาวรแล้วตามข้อกําหนดนั้นๆในตนไปตลอดกาลโดยไม่ต้องสังวรไม่ต้องควบคุมไม่ต้องปฏิบัติอีกกายวาจาใจบริสุท ธ, ธิ์ศีลบริสุทธิ์ศีลตามศีลข้อนั้นๆได้บริบูรณ์สมบูรณ์เรียบร้อยอยู่ในชีวิตปกติอัตโนมัติเป็นเช่นนี้เองในองเล็บตาตา เป็นเองไม่ต้องมีใครคอยสั่งการเลยแม้แต่ตนเองก็ไม่ต้องคอยสั่งการแต่เป็นเองบัดนี้ชื่อว่าผู้มีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์กล่าวคือกายก็บริสุทธิ์ศีลปกติเป็นเช่นนั้นเองในองเล็บตถตาวาจาก็บริสุทธิ์ศีลเป็นปกติเป็นเช่นนั้นเองในองเล็บตถตา ใจก็บริสุทธิ์ศีลเป็นปกติเป็นเช่นนั้นเองในวงเล็บตถาตาศีลของผู้นี้จึงบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจเป็นอัตโนมัติในคนผู้นั้นสมบูรณ์หากใจของผู้มีศีล น, นี้แถมเป็นสมาธิอีกด้วยใจเป็นสมาธิก็คือใจมีพลังตั้งมั่นแล้วในวงเล็บสมาหิตะเช่น ใจที่บริสุทธิ์ศีลนี้เป็นใจที่ตั้งมั่นในศีลชนิดที่เที่ยงแท้ในวงเล็บนิจังยั่งยืนในวงเล็บทุวังตลอดการในวงเล็บสัตสตังไม่แปรเปลี่ยนเป็นอื่นอีกแล้วในวงเล็บอวิปรินานมะในวงเล็บไม่ไม่แปรเปลี่ยนเป็นอื่นอีกแล้วในวงเล็บอวิปรินามธรรมัง ไม่มีอะไรจะมาหาักล้างได้ในวงเล็บ อ, อสังเฮรังไม่กลับกำเริบในวงเล็บ อ, อสังกุปปังนี่คือศีลทำให้เกิดอธิจิตสิกขาเจริญกระทั่งถึงวิมุติเป็นเจโตวิมุติและปัญญาที่บริบูรณ์แบบพุทธนั้นก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็เกิดเองหรือเกิดเพราะ หลับตาสะกดจิตเข้าไปเป็นฌานเจโตสมถทะหรือเรียกกันว่าจิตเป็นสมาธิแล้วปัญญาจะผุดเกิดมาเองจะผุดเกิดขึ้นมาเองมิใช่ปัญญาแบบนั้นเลยแต่เป็นปัญญาที่ได้จากการปฏิบัติมักคังคังหน่งเล็บตามกระบวนการองค์แห่งมักโดยการปฏิบัติลืมตามีชีวิตปกติแบบพุทธ และมีสัมผัสภายนอกเชื่อมอายตนะภายในในวงเล็บมีภาษาทรูป5กับโคจรรูปทําทำงานขึ้นเกิดภาวะรูปเป็นกายให้ศึกษากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิ10เป็นประธานมีสติสัมโพชฌงและ วิริยะสัมโพชงในวงเล็บสัมมาวายามะในองเล็บหรือสัมมาวายามะเป็นพลังสําคัญช่วยสัมมาทิฏฐิปฏิบัติโดยมีตัวจักรทํางานคือธรรมวิจัยสัมโพชงทําให้เกิดสัมมาในองค์มรที่จเจริญขึ้นจเจริญขึ้นในวงเล็บ <c oughs> ในองเล็บเช่นมีสังกัปป ะ, จะเจริญ สัมมามีวาจาจะในวงเล็บเช่นมีสังตปะเจริญสัมมามีวาจาเจริญสัมมามีกรรมตะเจริญสัมมามีอาชีวะเจริญสัมมา จึงทําให้สัมมาธิฏฐิพัฒนาอนิสงค์เจริญขึ้นไปขึ้นไปในองเล็บวายามะกับสติก็เจริญสัมมาไปตามสัมมาทิฐิด้วยในองเล็บสัในวงเล็บวายามะกับสติก็เจริญสัมมาไปตามสัมมาทิฐิด้วยสัมมาทิฐิที่อภิวัตพัฒนาขึ้นนั้น ก็สั่งสมไปเป็นปัญญีสีเจริญก้าวหน้าไปก้าวหน้าไปก้าวหน้าไปสู่ความสูงขึ้นสูงขึ้นปัญญีสีซึ่งอยู่ในสภาพที่ยังมีสาสวะก็ได้ส่วนแห่งบุญหรือส่วนบุญในองเล็บบุญยะในองเล็บบุญยะาคิยาเท่ากับชัมระกิเรสได้ไปตามส่วนที่ได้เป็นลำดับลาดับ ให้ผลแก่ขันในองเล็บอุปธิเวป ก, กาผู้ปฏิบัติเมื่อสูงที่สุดก็ถึงขั้นปัญญาพละตามองคหกซึ่งได้แก่ปัญญาปัญญิสีสีปัญญาพละธรรมวิจัยสามโพธิชนสัมมาทิฏฐิองค์แห่งมักในองเล็บมักคังคัง ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม14ข้อสนั่นคือการทำใจในใจในองเล็บมณสิการที่ผู้สัมมาทิฏฐิถ้าปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิบัติก็มีอานิสงส์ไปตามลำดับของกระบวนการแห่งอภิสังขารสซึ่งได้แก่ปุญญาพิสังขารในวงเล็บการสังขารที่ยังชมระกิเลสอยู่ทั้งใน กายสังขารในจิตสังขาร ใ, ในวจีสังขารอปุญญาพิสังขารในองเล็บการสังขารที่ไม่ต้องชาระกิเลสแล้วอเนญชาพิสังขารในองเล็บการสังขารที่ทำความไม่หวั่นไหวให้ยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นอภิสังขารภาระที่ผู้ปฏิบัติต้องทำภาระให้สิ้นภาระให้ได้ทั้งขันธภาระทั้งกิเลสภาระทั้งอภิสังขารทั้งอภิสังขารภาระในองเล็บภาระสามจนกระทั่งเป็นผู้ปรงสังจนกระทั่งเป็นผู้ปรงภาระแล้วในองเล็บ BE> ปันนภาโรมีภาระตกไปแล้วในวงเล็บปฏิตาภาโรมีภาระอันปลดแล้วในวงเล็บโอโรปิตภาโรมีภาระอันปล่อยแล้วในวงเล็บสมูโรปิตภาโรมีภาระอันวางแล้วในวงเล็บนิขิตตภาโรมีภาระระงับแล้วในวงเล็บ ปฏิปัสสะในวงเล็บปฏิปัสสะสัทธภาโรพระไตรปิฎกเล่ม29ข้อ697ผู้ปรงภาระลงแล้วในวงเล็บปัญภาโรพ้นขาดแล้วในวงเล็บวิ วิปปมุตโตในองเล็บวิปปมุตโตคือผู้ปฏิบัติโพธิปัขิยธรรม37ที่สัมมาทิฐิได้สำเร็จบริบูรณ์ด้วยโลกุตรธรรม37ครบโลกุตรธรรม9ซึ่งประกอบไปด้วยหลักเสาเอกอันหลักเสาเอกสำคัญยิ่งของพุทธสองหลักคือโพชฌงเจ็ด กับมรรคองค์8อันเป็นข้อที่6กับข้อที่7ของโพธิปัจขิยธรรม37ทั้งหมด7ข้อที่พระพุทธองค์ทรงยืนยันเป็นหลักหนึ่งเดียวในโลกไม่ว่าจะเกิดยุคไหนก็เป็นหนึ่งเดียวของโลกทุกยุคว่าโพธิปัจขิยธรรม37นี้แหละที่เป็นโลกุตตรธรรม37โลกุตตรธรรมคือ ทำที่ไม่เป็นธาตุหรือไม่ติดยึดโลกทุกโลกเพราะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็นโลกไม่ว่าจะเป็นโลก3ได้แก่1กามาโลกในวงเล็บกามะพบสรูป2รูปะโลกในวงเล็บรูปรูปสรูปะโลกในวงเล็บรูปะพบส อรูปโลกในวงเล็บอรูปภพในวงเล็บอรูปภพพระไตรปิฎกเล่ม11บเอ็ข้อสองหรือไม่ว่าโลกหได้แก่1อบายหรือไม่ว่าโลก6ได้แก่หนึ่งอบายโลก ในองเล็บความวนเสพติดยึดอยู่กับความเป็นโลกที่เสื่อมต่ํา4ภูมิ 2. มนุษย์โลกในองเล็บความวนเสพติดอยู่กับความเป็นมนุษย์1 3. เทวโลกในองเล็บความวนเสพติดอยู่กับความเป็นเทวดา6ภูมิพรหม20ภูมิ 4. ขันธโลก หนึ่งเล็บความวนเสพติดหรือไม่ว่าโลก6ได้แก่1อบายโลกหนึ่งเล็บความวนเสพติดยึดอยู่กับความเป็นกับโลกที่เสื่อมต่ํา4ภูมิ 2. มนุษย์โลกหนึ่งเล็บความวนเสพติดยึดอยู่กับความเป็นมนุษย์ 3. เทวโลกในวงเล็บความวนติดในวงเล็บความวนเสพติดยึดอยู่กับความเป็นเทวดา6ภูมิพรหม20ภูมิ 4. ขันธโลกในวงเล็บความวนเสพติดยึดอยู่กับความเป็นขันห้าหาธาตุโลกในวงเล็บความวนเสพติดยึดอยู่กับความเป็นธาตุสิของเวทนา6 อายตนะโลกในองเล็บความวนเสพติดยึดอยู่กับความเป็นอายตนะซึ่งมีอายตนะ12เป็นต้นผู้สนใจตรวจสอบได้ในพระไตรปิฎกเล่ม29ข้อ14ซึ่งมีรายละเอียดลึกซึ้งมากโพธิปัจจิยธรรม37เป็นหลักที่รวมเนื้อแท้ แ, ทแห่งทฤษฎีปฏิบัติของพุทธ รวมกับโลกโลกุตรธรรม9ซึ่งระบุชื่อของอาริยชนที่มีอาริยพุทธธรรมแท้แห่งพุทธก็รวมเป็นโลกุตรธรรม46เริ่มต้นเริ่มตั้งต้นจากโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลต่อต่อไปกระทั่งอรหัตผลจนสุดท้ายคือนิพพานในวงเล็บ พระไตรปิฎกเล่ม31ดข้อ620ด้วยการมีทรรมวิจัยสัมโพชงมาตลอดจึงทำให้พัฒนาสัมมาทิฏฐิซึ่งต้องมีความรู้ในความเป็นสัมมาทิฏฐิ10บนงเล็บพระไตรปิฎกเล่ม14ข้อ257ก่อนจึงจะปฏิบัติมีมรรคมีผลของโลกุตตรธรรมได้เป็นสัมมา การศึกษาปฏิบัติธรรมแบบพุทธนั้นคือศีลสมาธิปัญญาหรือไตรสิกขาที่สัมมาทิฏฐิศีลที่มีประสิทธิผลมีคุณสมบัติสัมมาทิฏฐิในคนผู้ใดผู้นั้นจึงจะเป็นผู้มีศีลตรงกับคำแปลที่ว่าปกติพระ เป็นผู้มีความบริสุทธิ์ในสีนั้นๆด้วยใจหรือจิตที่ตั้งมั่นแล้วเข้าขั้นสมาฮิตะบรรลุผลสมบูรณ์ถึงขีดนิจังทุวงังสะสะตังอวิปริณามธรรมังอสังหีรังอสังกุปปังใจนั้นจึงเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงใจประเสริฐที่สุดทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจในองเล็บ มโนปุปพังคมาธรร ม, มามโนเศรษฐามโนมายาตามพระวจนะที่ยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าซึ่งผู้บรรลุศีนั้นแล้วใจก็เป็นพลังปัญญาพลังเจโตสมบูรณ์โดยเจ้าตัวไม่ต้องสังวรไม่ต้องควบคุมไม่ต้องฝึกไม่ต้องดูแลตนในศีลข้อที่ตนเป็นปกติแล้วนั่นอีก กายวาจาใจของผู้นั้นที่บรรลุศีลแล้วจึงเป็นเช่นนั้นเองเรียกว่า ต, ะะตาตานั่นก็คือกายวาจาใจของผู้นั้นทั้งกายก็บริสุทธิ์วาจาก็บริสุทธิ์ใจก็บริสุทธิ์ไม่ละเมิดศีลข้อที่บรรลุนั้นไปตลอดอย่างถาวรยั่งยืนเป็นความจริง วงเล็บ ต, ตาตาเป็นเช่นนั้นเองแล้วเพราะไม่ต้องมีใค ร, ใครเพราะไม่ต้องมีใครไปควบคุมอีกแล้วบริสุทธิ์อยู่ด้วยตัวเองตลอดการและใจก็เป็นสมาธิซึ่งก่อนจะเป็นสัมมาสมาธิสมบูรณ์ขั้นสมาหิตะก็ต้องผ่านการปฏิบัติจน จ, นจิตใจเจริญความเป็นฌานมาเป็นลำดับ กระทั่งสมบูรณ์จิตใจตั้งมั่นแล้วในวงเล็บสมาหิตตะครบสัมมาสมาธิชาญ4ที่เป็นชาญแบบพุทธนี้จึงเป็นชาญจิตที่ผ่านการปฏิบัติบรรลุอธิจิตอย่างพิเศษมีคุ ณ, ณวิเศษในวงเล็บอุตริมนุสธรรมซึ่งชาญหนึ่งถึงชาญสี่ที่เป็นอุตริมนุสธรรมนี้เป็นชาญที่มีคุณ ลักษณะไม่เหมือนฌานสามัญทั่วไปตามที่เรียนที่รู้ที่ปฏิบัติกันอยู่ดะที่ปฏิบัติกันอยู่ดืนดาดด้วยวิธีหลับตาปฏิบัติเข้าฌานออกฌานอันเป็นฌานที่อยู่ในผวงังออกมาจากผวังแล้วไม่มีฌานจะได้ฌานหรือจะมีฌานอีกก็ต้องไปหลับตาเข้าฌานกันใหม่ ต้องเข้า ไ, ไปอยู่ในผวังกันใหม่อีกมันเป็นการได้ฌานโดยความยากในองเล็บ ก, กิจฉะโดยความลำบากในองเล็บ ก, กะเระคําว่าได้โดยยากในองเล็บ ก, กิจฉะลาพีหรือได้โดยไม่ยากในกองเล็บอกิจชะลาพีในองเล็บอกิจชลาพีในองเล็บอกิจชะลาพี ได้โดยลำบากในองเล็บกัสีระราพีหรือได้โดยไม่ลำบากในองเล็บอากัสีระาพีในฌานสีนี้มีนัยสำคัญยิ่งที่จะทำให้เข้าใจในโล ก, กุตรธรรมเพราะฌานของพุทธไม่ใช่ฌานที่ต้องเข้าฌานออกฌานแบบฌานนอกพุทธฌานที่ปฏิบัติได้สำเร็จ จนกระทั่งเป็นปกติในชีวิตลืมตาสามันนี้ที่ปฏิบัติด้วยมรคเจ็ดองจึงจะสั่งสมเป็นจิตตั้งมั่นคือสมาธิเป็ตามลำดับเมื่อสมบูรณ์ถึงที่สุดตั้งมั่นแล้วในวงเล็บสมาหิตะนั้นจะเป็นฌานพิเศษจิตที่ตั้งมั่นแล้วในวงเล็บสมาหิตะคือสมาธิที่สมบูรณ์แล้วนี้จะเป็นจิตที่ได้ฌาน หรือได้สมาธิเองโดยไม่ต้องออกโดยไม่ต้องอยากได้ในวงเล็บนิกกาลาพีได้โดยไม่ลำบากในวงเล็บอากิชลาพี จิตที่ตั้งมั่นแล้วในวงเล็บสมาหิตะคือสมาธิที่สมบูรณ์แล้วนี้จะเป็นจิตที่ได้ฌานหรือได้สมาธิเองโดยไม่ต้องอยากได้ในวงเล็บนิกามลาพีได้โดยไม่ลำบากในวงเล็บอากิจะชลาภีในฌานทั้งสีหรือจิตคนผู้นี้ได้ฌานทั้งสี่โดยไม่ยาก ในวงเล็บอากาสิระลาพีชัดๆก็คือผู้บรรลุผลที่เป็นฌานสีแบบพุทธนี้จะเป็นผู้ได้ฌานโดยไม่ต้องอยากได้ในวงเล็บนิกามลาพีมันจะเป็นฌานในตนเองโดยอัตโนมัติเพราะเป็นผู้ได้ฌานสีนี้โดยไม่ยากในวงเล็บอากิตชลาพีได้ไม่ลำบาก ได้ไม่ลำบากในองเล็บอกะศิราพีในองเล็บอกะศิระลาพีเนื่องจากวิธีปฏิบัติของพุทธไม่ใช่วิธีแบบหลับตาหรือแบบหนีสังคมเข้าป่าเข้าถ้าวิธีปฏิบตัติหรือแนวคิดของพุทธนี้อยู่ในบ้านในเมืองไม่ใช่ลัที่ออกป่าหนีสังคมแน่นอน แต่ถ้าจะไปปฏิบัติในป่าก็ย่อมได้หากแม้นถึงคราวเหมาะควรหากแม้นถึงคราวเหมาะควรของแต่ละคนเพราะป่านั้นเป็นสถานที่จะปฏิบัติให้เกิดความสงบที่เรียกว่าสัมมาสมาธิโดยยากเพราะป่านั้นเป็นสถานที่จะปฏิบัติให้เกิดความสงบที่เรียกว่าสัมมาสมาธิได้ยาก เพราะทาให้กายหรือองค์ประชุมของรูปนามสงบในวงเล็บกายวิเวกจิตสงบในวงเล็บจิตวิเวกหมดกิเลสในองเล็บอุปธติวิเวกได้ยากตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับพระอุบาลีก็ชัดเจน ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับพระอุบาลีก็ชัดแสนชัดในพระไตรปิฎกเล่ม24ข้อลองอ่านดูดุกระระอุบาลีเสนาสนะคือป่าและราวป่าอันสงัดอยู่ลำบากทำความวิเวกในเล็บสงบได้ยากยากที่จะอภิรมในการอยู่พูดยากที่จะอภิรมในการอยู่ผู้เดียว ป่าทั้งหลายเห็นจะนำใจของภิกษุผู้ไม่ได้สมาธิไปเสียดุกระอุบาลีผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราเมื่อไม่ได้ในงเล็บสัมมาสมาธิจักซ่องเสพเสนาสนะคือป่าและราวป่าอันสงัดผู้นั้นจำต้องหวังข้อนี้คือจักจมลงหรือจักฟุ้งซ่าน ปาทำให้ผู้ปฏิบัติจมปาหรือกลายเป็นคนฟุ้งซ่านออกนอกศาสนาพุทธม า, มากแล้วคือกลายไปเป็นผู้เกิดมิจฉาผลแล้วหลงเห็นว่าตนได้สัมมาผลซึ่งกลายเป็นผู้สแสวงบุญออกนอกขอบเขตพุทธไปเสียแล้วแต่พูดอย่างไรก็ยากที่คนยุคนี้พูดแล้วจะเข้าใจ แต่พูดอย่างไรก็ยากที่คนยุคนี้พูดแล้วจะฝังเข้าใจเพราะมันฝังหัวมาผิดๆนานแล้วในในวงการพุทธศาสนามันเสื่อมมาเรื่อยจนถึงวันนี้หนักได้พากันถือผิดเป็นถูกจนยึดมั่นถือมั่นกันแทบเข้าเกณฑ์ถาวรแล้วผู้หลงผิดว่าการปฏิบัติธรรมจะต้องมุ่งไปสู่ ผู้หลงผิดว่าการปฏิบัติธรรมจะต้องมุ่งไปปฏิบัติกันในป่าและเชื่อมั่นว่าอาจารย์ผู้สอนให้บรรลุอรหันต์ได้นั้นต้องเป็นพระป่าหลับตาทรรมสมาธิซึ่งจะต้องสถิตยอยู่ในป่าผู้หลงผิดเช่นนี้จึงมิจฉาทิฏฐิตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ไม่ผิดเลยก็ออกนอกทางพุทธไปด้วยประการัชนีเป็นความเสื่อมแล้วตามคาตรัสความเสื่อมสี่ประการไว้ ตั้งแต่พระองค์ยังทรงประกาศศาสนาอยู่โน่นทีเดียวพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่และพระพุทธศาสนาเพิ่ ง, งจะก่อกำลังเกิดขึ้นแท้ ท, ทั้งที่ความเสื่อมสี่ประการนี้ยังไม่เกิดในยุคนั้นเลยพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ล่วงหน้าแล้วในงเล็บพระไตรปิฎกเล่ม9ข้อ163สา ถึง166ถึงวันนี้ความเสื่อมนั้นก็เป็นจริงแสนจริงผู้มีญาณเพียงพอก็ไม่เห็นเป็นเรื่องแปลกกลับจะเห็นว่าถ้าไม่เป็นเช่นนี้สิจะเป็นเรื่องแปลกจึงต้องมามาช่วยกันฟื้นฟูที่ต้องพูดย้ำซ้ำแล้วซ้ำอีก ที่ต้องพูดย้ำแล้วซ้ำอีกกันจนเมื่อยแล้วเมื่อยอีกก็เพราะรู้อยู่ว่าก็เพราะรู้ดีอยู่ว่ายากอาตมาพูดมากว่า45้าปีแล้วก็ไม่มีคนจะฟังเข้าหูเข้าใจกันสักเท่าไหร่เพราะที่อาตมาพูดไปนั้น เขาพากันเห็นความรู้ที่อตมาพูดเป็นเหมือนได้ยินเสียงคนลทัทธิอื่นมันก็ย่อมแปลกแตกต่างไปจากลทัทธิที่เขาได้นับถือและยึดถือแล้วจากผู้รู้หรือจากผู้ที่เขายึดถือกันว่าเป็นปราดแท้ของศาสนาพุทธที่นับถือกันมันไม่ใช่โลกตุตระแต่ก็ได้ยึด มั่นถือมั่นกันมานานแสนานานแล้วก็ฟังอาตมาบ้างแต่แม้จะเอาไปตรวจสอบเทียบวัดกับความรู้พุทธศาสนาที่เขาได้ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ยังคงเดิมเขาได้แต่ฟังเพื่อรับรู้บ้างว่าเออก็มีความเห็นอย่างนี้เหมือนกันเนาะเอออันนี้ต่างกับของเราคนละขั้วเลยเนาะ เอออันนี้มีภาษาคล้ายกับที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เหมือนกันเนาะแต่ลึกๆในใจก็ยังรู้ว่าแต่ลึกๆในใจก็ยังรู้สึกว่าแม้ภาษาจะเหมือนกันในยะจะต่างกันเขาก็ยังเชื่อของเขายังเก่าปักใจมั่นว่าเขาดีกว่าถูกกว่าเหนือกว่าเห็นไหมว่างานที่จะเปลี่ยนความยึด งานที่จะเปลี่ยนความยึดมั่นถือมั่นนี้มันหนักหนาสาหัสขนาดไหนนอกจากจะหนักในการยึดมั่นถือมั่นแล้วขณะนี้เขายัางเสวยลาบยศสรนเสริญสุขอันเขาได้รับอยู่ขณะ น, นี้มันก็ครอบงำบำเรอกิเลส ข, ของเขาอีกด้วยไม่ให้เงยหูเงยหัวมันก็ยิ่งแสนสุขเพลิดเพลินย่อมไม่รับรู้อื่นแน่ และจะให้กิเลสเข้ามายินดีหรือแม้จะเข้าใจจนเกิดมียานปัญญาทวนกระแสโลกีในองเล็บปฏิโสตะสามารถรู้จักรู้แจ้งโลกุตระนั้นยากเพราะเขากำลังจมดำดิง่งหลงมืดมิดอยู่กับดำาริศนาในองเล็บ ปริศนาย่อมเห็นโลกุตตรมิได้ถึงอย่างไรอาตมาก็จำต้องอุตสาหะบากบันต้องพูดต้องเขียนต้องอธิบายต้องแจกแจงภาคเพียรธรรมปรับประปวาตะที่มันผิดเพี้ยนเป็นอื่นไปจากศัสรธรรมของพระพุทธเจ้านี้ให้กลับคืนมาสู่ความถูกต้องให้แก่ผู้ยังหวังความถูกต้องให้ได้ไม่มาก น้อยก็ถือเอาไม่มากน้อยก็เอาจนกว่าจะตายจากโลกนี้ไปอีกชาติเกิดมาอีกทำอีกสำหรับผู้ที่มีสาหรับผู้ที่มืดมิดถาวรสนิทแล้วก็ต้องปล่อยเข้าไปที่ชอบที่ชอบตามที่เขาชอบขอยืนยันว่าพุทธ เป็นศาสนาคนเมืองเป็นศาสนาสังคมทำประโยชน์แก่มวลมหาประชาชนในองเล็บพระในวงเล็บพระหูชนะอิตายะที่ช่วยอนุเคราะห์ต่อโลกทั้งโลกในวงเล็บโลกานุกัมปาปานั้นเลยพุทธไม่ใช่แค่ช่วยคนส่วนน้อยที่ต้องเข้าป่าไปหาในป่าอยู่ป่าคนจะลงทุนไปป่านั้นมีส่วนน้อยจริงๆ พุทธนั้นศาสนาสังคมปฏิบัติในสังคมบรรลุท่ามกลางสังคมใจนั้นช่วยคนให้ได้ทั้งโลกโนนเนี่ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสยืนยันพุทธธรรมว่าโลกานุกรรมปายะพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะส่วนจะเป็นไปได้ก็สุดแท้แต่พุทธเป็นศาสนาของคนทันสมัยไม่ใช่ของคนป่าคนเถื่อน จึงไม่ต้องไปยึดเอาป่าเป็นที่ปฏิบัติปฏิบัติงมมืดมิดอยู่ในป่าจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงยุคเขาได้ยังไงยุคเขาได้อย่างไรศ า, าร ส, สนาพุทธมีโลกวิทูรู้โลกลึกซึง้งช่วยโลกในแนวลึกส่วนศาสนา คนอยู่ป่าเป็นศาสนาที่ไม่ทันสมัยไม่ทันโลกพุทธนำสมัยใหม่เสมอไม่เคยเก่าพุทธนี่แหละมีความเป็นประชาธิปไตยที่มีเนื้อแท้ของประชาธิปไตยวิเศษยิ่งมาแต่ไหนในองเล็บจบฉบับที่297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 อากิจชลาพีได้โดยไม่ลำบากในวงเล็บอากิในองเล็บอากาซิระลาพีถ้าฌานที่แพร่หลายกันอยู่ทั่วไปซึ่งปฏิบัติในแบบเมดิเดชันหลับตาสะกดจิตเข้าไปอยู่ในภวังกันอยู่นั้นนั่นแหละเป็นฌานสีที่มิชาทิฐิ คือมีความเห็นไม่ตรงตามพุทธศาสนาจึงเป็นฌานสี <c> ่ <oughs> จึงเป็นฌานสี่ที่ได้โดยยากในองเล็บกิจฉะได้โดยลำบากในองเล็บกสีระซึ่งต่างกันอย่างมีในแยะสาคัญยิ่งกับฌานสี่ที่ปฏิบัติอย่างสัมมาทิฐิของพุทธซึ่งเป็นฌานสีที่ได้โดยไม่ยากในองเล็บอกิจฉะลาพี ได้โดยไม่ลำบากในองเล็บอกาซิระลาพีซึ่งเป็นแบบซุปราคอนเซนเทรชันซุปราคอนเซนเทรชันย่อมไม่ใช่เมดิเตชันแน่นอนซึ่งเป็นภาวะของจิตที่มีทิฏฐิคนละอย่างอย่างหนึ่งเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิส่วนอีกอย่างหนึ่งจึงเรียกว่าสัมมาทิฏฐิแม้จะเป็นชาวพุทธด้วยกัน แต่ก็มีทิฏฐิแตกต่างกันออกไปแต่ก็มีทิฏฐิแตกต่างออกไปจากสัมมาทิฏฐิตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้แต่เดิมผิดเพีพ้ยนผิดออกไปเป็นมิจฉาทิฏฐิได้แน่นอนและได้เป็นมิจฉาทิฏฐิกันจริงมากกว่ามากแทบจะหมดจากองค์การศาสนาพุทธไปปานนั้นเลยการปฏิบัติเพื่อเกิด การปฏิบัติเพื่อเกิดฌานก็ดีหรือเกิดสมาธิก็ดีตามวิธีเมดิเทชันคือแบบหลับตาสะกดจิตเข้าไปอยู่ในภวังแล้วก็ทำใจในใจแนงเล็บมณสิกโรติตามทฤษฎีของตนของตนซึ่งแม้มิฉาทิฏฐินี้ก็ยังมีแตกต่างกันออกไปอีกหลายอีกหลากหลายสำนักอาจารย์ ส่วนการปฏิบัติเพื่อเกิดสัมมาฌานก็ดีหรือเกิดสัมมาสมาธิก็ดีตามวิธีซุปราคอนเซนเทรชันหรือแบบลืมตาเปิดจิตอยู่กับพบทุกพบนย่งเล็บการมพบรูปพบรูปพบไม่ต้องปิดพบหรือหนีพบหลบพบหลับพบแต่มีวิธีวิเศษที่สามารถดับพบเฉพาะส่วนของตนในตนได้ โดยอยู่กับภพสามนั้นอย่างรู้เท่าทันภพนั้นด้วยทฤษฎีพิเศษในวงเล็บสัมมาทิฏฐิสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงของกายที่เป็นกายในกายอีกทีรู้จักรู้แจ้งรู้จริงของเวทนาที่เป็นเวทนาในเวทนาอีกทีรู้จักรู้แจ้งรู้จริงของจิตที่เป็นจิตในจิตอีกที รู้จักรู้แจ้งรู้จริงของธรรมที่เป็นธรรมในธรรมอีกทีจนกระทั่งสามารถดับกายในกายดับเวทนาในเวทนาดับจิตในจิตดับธรรมในธรรมได้อย่างวิเศษวิสุดยิ่งเยี่ยมจริงจริงซึ่งไม่ใช่ดับเวทนาดับจิตการชนิดที่ดับเวทนาหรือดับจิต ก็พาซื่อผ่านไปดับเวทนาดับจิตให้หมดสิ้นความรับรู้ทั้งเวทนาทั้งจิตอย่างไม่เหลือความรู้สึกเลยแล้วก็หลงว่าแล้วหลงว่าการแล้วหลงว่าความดับเวทนาทั้งเวทนาในวงเล็บไม่ใช่ดับเวทนาในเวทนาหลงว่าความดับจิตทั้งจิตในวงเล็บไม่ใช่ดับจิตในจิตกันในแต่ละขณะแต่ละขณะนั้น คือนิโรดนัยงเล็บความดับที่หลงเลยเถิดผิดเพี้ยนไปว่าเป็นสัญญาเวทยิตนิโรดไปโน่นเลยซึ่งทฤษฎีเฉพาะของพระพุทธเจ้านั้นคนที่เป็นชาวพุทธด้วยกันเองแท้ๆก็ยังมีมิจฉาทิฏฐิได้หลายแบบเลยมีทั้งวิธีปฏิบัติที่ผิดเพี้ยนแตกต่างออกไปมีทั้งผลที่ผิดเพี้ยนแตกต่างออกไป เพราะปฏิบัติการทำใจในใจในวงเล็บมนสิการแบบพุทธไม่เป็นหรือแม้จะหลงผิดว่าตนทำเป็นเช่นแบบหลับตาเข้าไปในผวังทำใจในใจตนอยู่ในนั้นแต่ไม่มีกายให้ศึกษาก็ไม่เป็นฌานไม่เป็นสมาธิที่ถูกต้องตรงตามพระวจนะของพระศาสดาดังนั้นจึงต้องศึกษากันอย่างสาคัญจริง พระพุทธเจ้าตรัสว่าพุทธธรรมของพระองค์นั้นคำเพีราในวงเล็บลึกซึ้งยิ่งทุตสาหน่งเล็บเห็นตามได้ยากทุรนุโภธาในงเล็บรู้ตามได้ยากสันตาในวงเล็บสงบอย่างพิเศษปณิตาในงเล็บสุขุมยิ่งเยี่ยมอตกาวัจาราในวงเล็บรู้ด้วยเหตุผล หรือจากการขบคิดไม่ได้นิปุนาในวงเล็บละเอียดขั้นนิพพานปัณฑิตะเวทนยาในวงเล็บบัณฑิตแท้เท่านั้นจะรู้ได้ปรามทธรรมต่างๆอุตตริมนุสธรรมทั้งหลายจึงไม่ใช่เรื่องตื้นๆแต่ลึกยิ่งในวงเล็บลึกลาดลุ่มเรียบเป็นลําดับเหมือนมหาสมุทรไม่ใช่หยับหยาบ แต่ละเอียดยิ่งไม่ใช่ผิวผิวแค่ชั้นเดียวหรือแค่สองชั้นแต่มีการเลิกละสูงขึ้นไปตามลำดับหลายชั้นทวนไปทวนมาซับซ้อนเป็นขั้นเป็นขั้นหมุนรอบเชิงซ้อนในองเล็บปฏิสิทธิ์ในองเล็บปฏินิสะัะจนถึงที่สุดผู้สัมมาทิทฐิได้ปฏิบัติมักผู้สัมมาทิทฐิได้ปฏิบัต ผู้สัมมาทิฏฐิได้ปฏิบัติมีมัสมีผลเองจึงจะรู้จักรู้แจ้งรู้จ ร, จงรจิงว่าฌานหรือสมาธิแบบมิจฉาทิฏฐิปฏิบัติหลับตาเข้าฌานได้สมาธิกันแบบสัมมาทิฏฐิปฏิบัติมัชฌิตรองลืมตาเข้าฌานได้สัมมาสมาธินั้นมันมีความเป็นกายเน่วงเล็บองค์ประชุมของรูปกับนามกันคนละอยา่าง เพราะมีสัญญาในองเล็บการกำหนดรู้หรือการสำคัญมั่นหมายกันคนละอย่างเพราะทิฏฐิในองเล็บความเห็นความเข้าใจแตกต่างกันนั้นเพราะทิฏฐิในองเล็บความเห็นความเข้าใจแตกต่างกันการได้กายหรือการมีสัญญา จึงต่างจึงแตกต่างกันเช่นกาหนดหมายในวเล็บสัญญาความเป็นโลกต่างกันกาหนดหมายความเป็นอัตตาก็รู้จักรู้แจ้งรู้จริงต่างกันซึ่งความเป็นโลกก็ดีความเป็นอัตตาก็ดีต่างก็คือสังขารทั้งนั้นที่ผู้ยังอวิชาย่อมยังไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงแน่ ความเป็นสังขารสามได้แก่กา ย, ยาสังขารจิตตสังขารว่าจีสังขารนั้นทั้งโลกทั้งอัตตาของความเป็นมนุษย์ต่างก็มีความเป็นกายเป็นจิตที่ผู้ศึกษาปฏิบัติจะต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริงและต้องศึกษาปฏิบัติแยกกายแยกจิตได้ด้วยยานทศนะวิเศษซึ่งจะสามารถกาหนดรู้ความเป็นกายเป็นจิตได้ด้วยสัญญา กระทั่งเป็นปัญญาเป็นญาณทัศนวิเศษขั้นญาณทัศนวิเศษพระพุทธเจ้าตรัสความเป็นกายกับความเป็นสัญญาไว้ในสตาวาส9ซึ่งจะต้องศึกษาความเป็นสัตว์ที่เป็นโอปปปาติกาสัต์นี้ในขณะมีวิญญาณถีติ7อายตนะ 2, โดยการสัมผัสวิโมก8ด้วยกายสำเร็จอิริยบทอยู่ จึงจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความสิ้นอาสวะด้วยปัญญาสำบูรณ์ความเห็นอันถือเอาที่สุดความเห็นผิดที่แล่นไปสุดตรงข้างใดข้างหนึ่งที่บาลีว่าอันตะคาหิกะทิธินั้นมีสิบเรื่องได้แก่โลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุด โลกไม่มีที่สุดชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นชีวะก็อย่างหนึง่งสรีระก็อย่างหนึง่งอัตตาในวงเล็บสัตตถาคตเบื้องหน้าแต่ตายย่อมเป็นอีกในงเล็บย่อมมีอยู่อัตตาในวงเล็บสัตตถาคตเบื้องหน้าแต่ตายย่อมไม่เป็นอีก เน่งเล็บย่อมไม่มีอยู่อัตตาเน่งเล็บตถาคตสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายย่อมเป็นอีกเน่งเล็บมีอยู่ก็ใช่เน่งเล็บก็มีไม่เป็นอีกเน่งเล็บไม่มีอยู่ก็ใช่เน่งเล็บก็มีอัตตาเน่งเล็บสัตว์ตถาคตเบื้องหน้าแต่ตายย่อมเป็นอีกเน่งเล็บมีอยู่ก็ไม่ใช่เน่งเล็บ ก็หาไม่ได้ย่อมไม่เป็นอีกในวงเล็บไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่ในวงเล็บก็หาไม่ได้ในวงเล็บพระไตรปิฎกมีอยู่มากแห่งเช่นเล่ม13ข้อ147เล่ม18 88เล่ม24ส 193อเ๋อเช่นเล่ม13ข้อ147เล่ม18ข้อ88เล่ม24ข้อ193เล่ม31ข้อ337 เล่มส5ห้าข้อหนึ่งพันสาสสองหนังเล็บและคำว่าอัตตาในที่นี้อัตถกถาบางแห่งอัตถกถาบางแห่งหมายถึงสัตว์ก็มีว่าตถาคตหรืออัตมันก็มีว่าพระพุทธเจ้าก็มี ในวงเล็บในวงเล็บและคำว่าอัตตาในที่นี้อัตคาถ า, าบางแห่งหมายถึงสัตว์ก็มีวาตถาคตรหรืออัตมันก็มีว่าพระพุทธเจ้าก็มีเรื่องโลกและอัตตานี้เป็นเรื่องถกเถียงกันมาแต่ไหนแต่ไรเรามาอา่านที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้กันดูอีกที เรามาอ่านที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้กันดูอีกทีพระพุทธเจ้าตรัสว่าหนึ่งดุกะระมาลุงกยบุตรเพราะเหตุไรข้อนั้นเราจึงไม่พยากรณเพราะข้อนั้นไม่ประกอบไปด้วยไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ ไม่เป็นไปเพื่อความนายเพื่อความคลายกําหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานเหตุนั้นเราจึงไม่พยากรณ์ข้อนั้นดุกระมายุงดุกระมาลุงกะยาบุตรอะไรเล่าที่เราพยากรณ์ดุกะมาลุงกะยาบุตรความเห็นว่านี้ทุก นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ดังนี้หนังเล็บพระไตรปิฎกเล่ม13ข้อ152 2อดุกระวัชชะพวกปริภาชก ผู้ถือลัทธิอื่นย่อมตามเห็นจักสุว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราพวกปริพาชกผู้ถือลัทธิอื่นย่อมตามเห็นหูจมูกลิ้นกายใจว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราเพราะเหตุนั้นเมื่อพวกปริพาชก ผู้ถือลทัทธิอื่นถูกถามอย่างนั้นแล้วจึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าโลกเที่ยงบ้างสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หาไม่ได้ย่อมไม่เกิดอีกก็หาไม่ได้บ้างดูกระวัชชะส่วนพระตถาคตอรหัตส่วนพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมทรงพิจารณาเห็นภิกษุว่า ดุกะวัชชะส่วนพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมทรงพิจารณาเห็นจักสุว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราย่อมทรงพิจารณาเห็นหูจมูกลิ้นกายใจว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานั่นเพราะเหตุนั้น เมื่อตถาคตถูกถามอย่างนั้นแล้วจึงไม่ทรงพยากรณ์อย่างนี้ว่าโลกเที่ยงก็ดีสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หาไม่ได้จะไม่เกิดอีกก็หาไม่ได้ก็ดีในองเล็บพระไตรปิฎกเล่ม18ข้อเจที่พระพุทธเจ้าไม่ทรง่ที่พร ะ, พ, ระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์นั้นก็เพราะข้อนั้น ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่เป็นไปเพื่อความนายเพื่อความคลายกําหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพนานแต่ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ศึกษาปฏิบัตินั้นคือจะต้องมาเรียนรู้ตาหูจมูก ลิ้นกายใจของเรานี่เลยที่จะต้องสัมผัสสัมพันธ์กับโลกแล้วมีเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยเกิดทุกข์เกิดสุขกันอยู่ในวัฏฏะก็เพราะไม่รู้โลกไม่รู้อัตตนี้แลก็ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าย่อมพิจารณาเห็นจักสุว่านั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่เป็นของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเห็นคําว่าเป็นเราตัวตนของเราไม่ละก็นี่แหละเรื่องอัตตาแท้ใช่ไหมจึงต้องเรียนรู้ความเป็นอัตตาตั้งแต่เริ่มกาหนดให้มาเรียนรู้กายเรียนรู้จิตไปตามลำดับกายกับจิตนี้แหละคือโลก คือสังขารคืออัตตาที่อยู่ในตัวเราจริงๆมาเรียนรู้ในขนาดจํากัดทีละขนาดเริ่มทีละน้อยไม่ต้องมากเกินที่ควรแก่เราเองหรือมาเรียนรู้ในกามาว จ, จรของเราเองตั้งแต่ขั้นต้นไปตามลําดับในวงเล็บขนาดจํากัดนี้พระไตรปิฎกฉบับ มหาจุราท่านแปลมาจากคำว่าปริตังส่วนพระตาปิโดกฉบับหลวงแปลปริตังว่ากามาวจรศึกษาเรื่องของกายกับจิตนี้แหละคือเรื่องโลกกับเรื่องอัตตาแท้ๆมิใช่ว่าโลกไม่มีให้ศึกษาอัตตาไม่มีให้ศึกษาหรือว่าไม่ต้องศึกษาความเป็นโลกหรือความเป็นอัตตก็หาไม่ ก็ความเป็นโลกกับความเป็นอั ต, ตานี้แหละคือตัวแท้ที่ประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่เป็นไปเพื่อความนายเพื่อความคลายกำนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานแต่ต้องปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์ น, นั้น คือไม่ไปเสียเวลาทรงอธิบายอยู่แต่ว่าโลกคืออะไรอัตตาคืออะไรเที่ยงหรือไม่เที่ยงใช่หรือไม่ใช่ตายไปแล้วจะมีหรือไม่มีตายแล้วจะเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกอะไรต่างๆนั้นถ้าศึกษาอย่างสัมมาทิฏฐิแล้วจึงปฏิบัติไปตามลำดับแล้วจึงปฏิบัติไปเป็นลำดับ ก็จะเริ่มรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นโลกตามความตามเป็นจริงและความเป็นอัตตาตามเป็นจริงอย่างชัดเจนถ้าศึกษาอย่างสัมมาธิทิฏฐิแล้วจึงปฏิบัติไปเป็นลำดับก็จะเริ่มรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นโลกตามเป็นจริงและความเป็นอัตตาตามเป็นจริงอย่างชัดแจ้งบริบูรณ์ อั ต, ตาที่พระพุทธเจ้าทรงให้เราเรียนคืออัตราสหนในวงเล็บโอราริกะอัตรามโนมยอั ต, ตาอรูปอัตราในวงเล็บพระในวงเล็บพระไตรปิฎกเล่ม9ข้อส0 2องไม่ใช่ว่าพอไปได้เข้าใจได้อย่างทราบซึ่งว่าทุกสรรพสิ่งไม่ใช่ตัวตนในวงเล็บ สัพเพธมาอนัตตาแล้วก็ไปเห็นว่ามิใช่ว่าพอไปได้เข้าใจอย่างทราบซึ้งว่าทุกสรรพสิ่งไม่ใช่ตัวตนนงเล็บสัพเพธมาอนัตตาแล้วก็เห็นไปว่าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสแล้วไงว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวตนตัวตนไม่มี ไม่มีตัวตนในที่ไหนที่ไหนทุกสรรพสิ่งแล้วจะยังไปมัวเห็นว่าเป็นตัวตนกันอยู่ที่ไหนกันอีกก็ในเมื่ออัตตาไม่ใช่ตัวตนแล้วจะไปงมหาตัวตนมาจากไหนกันอยู่เล่าที่จริงแล้วความเป็นตัวตนนี่แหละคือตัวการใหญ่ที่มันยังมีทุกข์มีสุขมีกิเลสมีเรื่องในวงเล็บนิทานไม่จบ ต้องเรียนรู้เป็นลาดับแล้วชมระด้วยการปฏิบัติกำจัดตัวตนในวงเล็บอัตตาให้หมดสิ้นอัตตาในวงเล็บตัวตนเกลี้ยงสนิทไม่ใช่ไปหลงสุดตรงว่าอัตตาไม่มีให้เป็นอุเฉ ท, ท, ทิธิหรือเลยเถิดไปอีกทางหนึ่งว่าอัตตาหรืออัตมันเป็นปรมาตมันมีอยู่นิรันดร น, นั่นก็สะัสะตะทิฐิสุดตรงอีกฝ่าย ความเป็นอัตราแล้วทีนี้โลกบ้างก็ยิ่งมากมายหลากหลายที่ต้องศึกษาปฏิบัติตั้งแต่โลกสองที่ใหญ่โตกว้างขวางสุดๆได้แก่หนึ่งเอกภพหนึ่งเล็บหนึ่งเดียวของทุกสรรพสิ่งสองโลกจักรวาลหนึ่งเล็บทุกสรพพสิ่งในโลกหนึ่งเดียวโลกสองได้แก่หนึ่ง โลกที่ไม่มีภาวะของชีวะในวงเล็บอาชีวตินรีในวงเล็บอชีวิตตินรีสองโลกที่มีภาวะของชีวะในวงเล็บชีวิตตินรีโลกสองได้แก่หนึ่งโลกกรชีหนึ่ ง, โล ก, กงโลกชีวะ ที่ยังไม่ถึงขั้นวิญญาณมีแค่รูปสัญญาและสังขารในวงเล็บผีชันิยาม 2. โลกชีวะที่ถึงขั้นวิญญาณมีรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณในวงเล็บจิตนิยามโลกสองได้แก่ 1. โลกียะในวงเล็บปุถุชนกาลยาณชน 2. โล ก, กุตระในวงเล็บ อาริยชนโลกสองได้แก่หนึ่งโลกนี้ใน่งเล็บอิทธโลกอยังโลกอิมันจะโลกัง 2. โลกหน้าใน่งเล็บปรโลกปโรโโลกโกปรัญจโลกังสัมปรายิกะโลกสองได้แก่หนึ่งโลกสมุทัย ในองเล็บมีเหตุแห่งทุกข์สโลกนิโรธในองเล็บดับเหตุแห่งทุกข์โลกสองได้แก่ 1. โลกที่ม่สุขไม่ทุกข์แบบปุถุชนในองเล็บเคหะสิตะอุเบคา 2. โลกที่ม่สุขมิทุกข์แบบอาริยชนในองเล็บเนฆามาสิตะอุเบคา โลกสองได้แก่1กรรมโลกโลก2ได้แก่1กรรมโลกหนึ่งเล็บหรือกรรมภพซึ่งเป็นโลกภายนอก2เพภาวะโลกหนึ่งเล็บโลกภายในซึ่งยังมีขั้นตอนละเอียดเป็นรูปะโลกอรูปะโลกอีกดังนั้นเมื่อแยกออกไปเป็นโลก3จึงได้แก่1กรรมโลก2รูปะโลก 3. อรูปโลกโลก3อีกหมวดได้แก่ 1. สังขารโลก ส, สัตวโลก 3. โอกาสโลกในองเล็บโลกอันมีอากาศจักรวาลโลกอันกำหนดด้วยโอกาสซึ่งได้แก่โอกาสที่เป็นสังขารอันมีวิญญาณครองหรือได้แก่ โอกาสที่เป็นสังขารอันไม่มีวิญญาณครองโลก3อื่นอีกคือ 1. มนุษยโลกในวงเล็บโลกที่มีร่างกายของสัตว์คนและจิตวิญญาณ 2. เทวโลกในวงเล็บโลกโดยเฉพาะของจิตวิญญาณที่เป็นสุขโลกีหรือสุขโล ก, กุตระ 3. พรหมโลกในวงเล็บ โลกโดยเฉพาะของจิตที่ทำให้ไม่มีกิเลสได้ทั้งที่เป็นโลกิยะและทั้งแบบโลกุตระซึ่งมีลำดับหรือขนาดต่างๆหรือแบบต่างๆโลกที่เป็นวัตตะสามบ้างซึ่งมีหนึ่ง โลกที่วนเวียนอยู่ด้วยกิเลสวัตตะในงเล็บวงจรกิเลส 2. โลกที่วนเวียนอยู่ด้วยกรร ม, มวัตตะในงเล็บวงจรกรรม 3. ามโลกที่วนเวียนอยู่ด้วยวิปา ก, กวัตตะในวงเล็บวงจรวิบากโลกที่มีญาณสาได้แก่หนึ่ง โลกที่สามารถระลึกรู้ภาวะอันเคยอาศัยอยู่มาก่อนในวงเล็บปุบเพนิวาสานุสติยานสองโลกที่สามารถกาหนดรู้การตายหนยังเล็บจุติและการเกิดในังเล็บอุบัติในวงเล็บจุตูปปตาตยานสาม โลกที่สามารถอย่างตรวจสอบรู้แจ้งความหมดสิ้นอาสวะในจิตตนในวงเล็บอาสวะขยญาณโลกหกได้แก่ 1. อบายโลก 2. มนุษยโลก 3. เทวโลก 4. ขันธโลก 5. ทาธาตุโลก อายตนะโลกในวงเล็บพระไตรปิฎกเล่ม29ข้อ14บหนึ่งอบยายโลกคือภาวะที่ชีวิตตินซีในจิตยังเป็นรสสุขขมยังเป็นรสสุขรสทุกเวียนวนอยู่กับอบายยมุกหรืออบายอื่นๆที่หยาบแล้วสำหรับตน และอบายที่หยาบรองลงไปเป็นลำดับได้แก่ความตำแซมความทุจริตอกุศลความโกงความหลอกลวงการพนันความเสื่อมเสียความเสียหายความหยาบความรุนแรงความจัดจ้านความมากหรือใหญ่หรือหรูหราาเกินเหมาะควรความหลงในทรัพสมบัติมาก หลงในความมีอํานาจใช้อํานาจเกินหรืออะไรต่างๆที่เสียมากกว่าได้ 2. มนุษยโลกคือภาวะที่เป็นคนมีชีวิตอยู่บนโลกชีวิตอินทรีย์ในจิตนั้นยังเป็นมนุษย์โลกีอยู่ทั้งที่เป็นปุตุชนและเป็นกาลยานชนหลงเสพสุขลิกะในองเลบสุขเทศซึ่งเป็นสุขโลกีเป็นเทวดาดาวดึงและเสบ ทุกโลกีเป็นสามัญลงสร้างอุปทานของตนเป็นวิมานขึ้นได้สำเร็จและฝ่ายเสพภูมิความเป็นมนุษย์ขั้นสูงมนุษย์ชั้นสูงได้เสพโลกเสพอัตตาที่หลงว่ามากว่าใหญ่ว่าสูงเป็นลำดับจนที่สุดได้เป็นมนุษย์อาระยะและมนุษย์อริยะบยั ง, บยงมิใช่อริยะ ตามทิฏฐิของแต่ละสำนักสำเร็จสูงสุดตามทิฏฐิที่ตนยึดว่าจริงและประพฤติได้ผลนั้นๆให้ชีวิตอาศัยเป็นอยู่ไปตายเป็นอยู่ไปจนตายให้ชีวิตอาศัยเป็นอยู่ไปจนตายแล้วมีวิบากเป็นนรกกันมากกว่ามากหากเป็นคนที่มีสุระภาโวสติมันโตก็จัดเป็นมนุษย์หากเป็นคนที่มี สุรพาโวสติมันโตก็จัดเป็นมนุษย์ชมภูทวีปเพียงแต่ว่าต้องใช้สุรพาโวสติมันโตกับความเป็นโลกที่หลากหลายต่างๆอันเราสัมพันธ์อยู่นี้ยังเล็บอิทะใช้ปฏิบัติเพื่อสิ้นอัตตาให้บรรลุปรมจั น, ร น, นทร์เพราะผู้มีความเป็นมนุษย์โลกที่มีสุรภาวเพราะผู้มีความเป็นมนุษย์โลก ที่มีสูรพาวสติมันโตครบพร้อมก็ในความเป็นโลกนี้เนองเล็บอิทะแหละไม่มีโลกอื่นที่สามารถจะปฏิบัติให้บรรลุถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์ได้เนองเล็บอิทะพรหมจิเนวงเล็บอิทะพรหมจริยะเนวงเล็บอิทะพรหมจริยวาโสเนวงเล็บอิทะ รมมัจริยะวาโสในองเล็บพระไตรปิฎกเล่ม23ข้อ225ถ้ายังไม่สามารถพัฒนาตนให้มีจิตใจมีภูมิบรรลุโลกุตรธรรมก็ชื่อว่ามนุษย์โลกีสามัญอย่างเก่งก็บรุกกลยานธรรมได้ดีมนุษย์โลกีระดับนี้ยังไม่รู้ในองเล็บอวิชชาความเป็นมนุษย์หรือ เป็นเทวดาดาวดึงหรือความเป็นสัตว์นรกของตนอย่างสัมมาทิฏฐิมีแต่ยังลงวิมานของเทวดาดาวดึงยังไม่สามารถรู้กายอันพ้นสังโยชนิสิบไปได้แม้แค่สังโยชน์ข้อที่หนึ่งจึงยังไม่สามารถพ้นสักยทิทิเน่งเล็บกายขั้นต้นดังนี้ก็คือไม่มีภูมิรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นมนุษย์โลกุตระ ที่เป็นเทวนิยมอย่างสัมมาทิฐิจริงส่วนมนุษย์โลกที่ทําชีวิตินทรีซีให้จิตให้บรรลุส่วนมนุษย์โลกที่ทําชีวิตินทรีซีในจิตให้บรนนลบรลุเป็นมนุษย์โลกุตระได้ทั้งที่เป็นอาเรียชนที่ลดการเสพสุขโลกีลดการเป็นทุกโลกีได้ตามลำดับเพราะสามารถทำใจในใจในเล็บ มนสิกโรติของตนได้ความเป็นโลกุตระและสูงถึงขั้นอาริยภูมิลดกามลดอัตตาได้เป็นลำดับก็เป็นอุบติเทพและวิสุทธิเทพหรือพรหมจนที่สุดได้เป็นมนุษย์อาริยะสำเร็จสูงสุดตามทิฏฐิถึงขั้นอรหันทรามเทวนิยมคือภาวะ ชีวิตินทร์ซีในจิตได้เป็นเทวดาดาวดึงอยู่ทั้งที่เป็นปุถุชนเซเบโลกเยสุขก็ยังเป็นสมมุติเทพต่อเมื่อมีสัมมาทิฏฐิและปฏิบัติเกิดมรรคผลจิตก็กลายเป็นในเตัพวพันติมนุษย์อุตระกุรุทวีปเป็นอาริยชนไปตามลําดับลดละโลกเยสุขเกิดเป็นอุบัติเทพจนกระทั่งถึงที่สุดเป็นวิสุทธิเทพ หรือพรมสูงสุดในความเป็นเทพสามสี่ขันธโลกคือกองกลุ่มภาวะที่รวมตัวกันของส่วนต่างๆเช่นรูปขันธเวทนาขันธสัญญาขันธสังขารขันธวิญญาณขันธเป็นต้นหรือกองกลุ่มของธาตุต่างต่างอื่นๆอีก ก็เป็นขันของความเป็นโลกซึ่งเป็นโลกสมุทยัยที่ต้องศึกษาเรียนรู้สมุทยัยและดับสมุทยัยอาริยสัจนั้นได้ก็จะเข้าสู่ความเป็นมนุษย์โรคนิโรธไปตามลำดับ 5. ทาธาตุโลกคือธรรมชาติที่ผสมส่วนกันลงตัวยึดกันอยู่สนิทซึ่งยังวนเวียนไปเกิดใหม่อีกอยู่เป็นปฐมธาตุมหาภูตสี่ ดินน้ำไฟลมเป็นต้นแม้แต่อากาศวิญญาณซึ่งเกิดเป็นรูปรูปธาตุก็มีนามธาตุก็มีแยกไปอีกเป็นกรรมธาตุรูปธาตุอรูปธาตุาก็ได้แม้ที่สุดไม่เวียนไปเกิดอีกคือนิพพานธาตุสุญญาธาตุอมตะธาตุ 6. อายตนะโลกคือภาวะที่เกิดเป็นอวจรหรือวงจรของรูปกับนามในขณะที่มีรูปกับนามกระทบกันใงเล็บปฏิฆะสัมผัสโซแล้วภาวะที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อของรูปกับนามนี้แหละชื่อว่าอายตนะต้องมีนามร่วมด้วยจึงจะเกิดอายตนะถ้าไม่ม <c oughs> ถ้าไม่มีนามร่วมด้วยมีแต่รูปกระทบกันก็ไม่มีอายตนะเกิดขึ้นและในยย่สำคัญคืออายตนะไม่ตั้งอยู่เป็นธาตุเป็นขันอายตนะเกิดขึ้นในช่วระยะที่มีการกระทบสัมผัสกันของรูปกับนามหรือนามกับนามในภายในเท่านั้นเมื่อขาดการกระทบสัมผัสกันนะ เมื่อขาดการกระทบสัมผัสกันที่ใดอายตนะก็หายไปไม่ตั้งอยู่ณนะที่ใดๆเลยอายตนะจึงไม่ใช่ภาะวะที่ตั้งอยู่ในที่ใดๆจนเป็นธาตุหรือขันให้ผู้อื่นรู้เห็นได้ด้วยตนเองเท่านั้นเมื่อสัมผัสอยู่ของแต่ละคนณนะบัดใดสมัยใดบัดนั้นสมัยนั้นก็มีอายตนะ หากขาดการสัมผัสอายตนะก็หายไปทันทีไม่เหลืออยู่ไม่ตั้งอยู่ณนะที่ใดๆเลยผู้ที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นโลกต่างๆกันผู้ที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นโลกต่างๆนั้นและเข้าถึงความเป็นโลกต่างๆนั้นได้จริงแล้วก็จะไม่สงสัยไม่สับสนไม่อวิชาในความว่า โลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดจะมีโลกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งรู้จริงในความเป็นโลกว่าอะไรเที่ยงหรือไม่เที่ยงอะไรมีที่สุดและอะไรไม่มีที่สุดโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงคืออะไรแท้จริงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดคืออย่างไรอย่างจริงแท้ เพราะสามารถทําสมุทัยในความเป็นโลกให้ดับหนึ่งเล็บนิโรธไปได้จนกระทั่งเป็นโลกนิโรธสําเร็จจึงรู้จักรู้แจ้งความเป็นในองเล็บความมีในองเล็บโหติอัติความไม่มีในวงเล็บนะโหตินัติ ในความเป็นโลกต่างๆได้ด้วยสัจธรรมแห่งโลกุตระแท้นงเล็บพระตรปิกเล่ม16ข้อ43แม้แต่ชีวะก็อันนั้นตสรีระก็อันนั้นชีวะก็อย่างหนึ่งสรีระก็อย่างหนึ่งก็ดีอัตตาหรือสัตว์หรือตถาคตเบื้องหน้าแต่ตายย่อมเป็นอีกอย่ยอมมีอยู่ก็ดี อัตตาหรือสัตว์หรือตถาคตเบื้องหน้าแต่ตายย่อมไม่เป็นอีกหนึ่งเล็บย่อมไม่มีอยู่ก็ดีอัตตาหรือสัตว์หรือตถาคตเบื้องหน้าแต่ตายย่อมเป็นอีกหนึ่งเล็บมีอยู่ก็ใช่หนึ่งเล็บก็มีไม่เป็นอีกหนึ่งเล็บไม่มีอยู่ก็ใช่หนึ่งเล็บก็มีก็ดีตถาคตหรือสัตว์หรืออัตตาเบื้องหน้าแต่ตาย ย่อมเป็นอีกหนึ่งเล็บมีอยู่ก็ไม่ใช่หนึ่งเล็บ ก, ก็หาไม่ได้ย่อมไม่เป็นอีกหนึ่งเล็บไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่หนึ่งเล็บ ก, ก็หาไม่ได้ก็ตามก็สามารถรู้แจ้งรู้จริงได้แจม่มแจ้งชัดเจนพร้อมกันไปด้วยจนถึงที่สุดบริบูรณ์เช่นโลกสองคือเอกภพนั้นหนึ่งกับโลกจักรวาล น, นั้นอีกหนึ่ง ก็จะสามารถรู้ได้หนึ่งเอกภพหมายถึงหนึ่งเดียวของทุกสรรพสิ่งก็จะเข้าใจได้ทันทีว่าในมหาเอกภพหนังเล็บ AUnivers e นั้นคือหนึ่งเดียวของทุกสรรพสิ่งหมายความว่าทุกสรรพสิ่งที่เป็นความมีทั้งหลายทั้งหมดของมหาจักรวาลรวมกันอยู่เป็นหนึ่งเดียวไม่มีสอง และถ้ามีสองภาวะหนึ่งก็คือศูนย์กับอีกภาวะหนึ่งนั่นคือเกิดหนึ่งขึ้นมาในความมีเพราะผู้มีศูนย์จะรู้อื่นๆที่ไม่ใช่ศูนย์ชัดสองโลกจักรวาลหมายถึงทุกสรรพสิ่งในโลกหนึ่งเดียวก็จะเข้าใจได้ทันทีว่าในโลกจักรวาลในอักษรยูนิเวอร์แซล นั่นคือในภาวะหนึ่งเดียวของสปปรรพสิ่งนั้นหมุนไปเวียนไปเป็นจักรวาลซึ่งมีทั้งยึดกันอยู่แยกกันไปมีภาวะทั้งหลายทั้งหมดที่เกี่ยวเกาะวนเวียนสัมพันธ์กันอยู่ด้วยความ ร, รวมและความพรากห่างหรือจากกันไปเป็นความไม่มีในกันและกันเป็นที่สุดแม้ความรับรู้หรือธาตุรู้ ที่เก่งวิเศษใดๆก็ไม่สามารถเห็นหรือไม่สามารถรู้จักในวงเล็บรับรู้ภาวะที่ไม่มีนั้นอีกภาวะที่ไม่มีนั้นได้อีกเลยหรือโลกสองคือโลกที่ไม่มีภาวะของชีวะในองเล็บอชีวิตินรียนั้นหนึ่งกับโลกที่มีภาวะของชีวะในวงเล็บชีวิตอินทรีย์ นั้นอีกหนึ่งโลกที่ไม่มีภาวะของชีวะหรือที่ภาษาบาลีว่าอาชีวิตินซีนั้นก็เข้าใจได้ทันทีว่าในความเป็นโลกหรือองค์ประชุมของสิ่งตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปเคลื่อนตัวไปได้หรือตั้งแต่สามสิ่งขึ้นไปหมุนรอบตัวเองได้พาตัวเองวนเวียนไปอยู่ในเอกภพในวงเล็บ u n i ิตยูนิเคช n นย i c a t i o n ในวงเล็บยูนิต i ูนิเคชัคือในองค์รวมของสรรพสิ่งทั้งหลายอันนั้นที่ปรุงแต่งกันอยู่เป็นสัด ส, ส่วนมีความเป็นตนเป็นของตนแล้วและพากันหมุนเวียนไปอยู่นั้น ภาวะนี้ยังไม่มีความเป็นชีวะประกอบอยู่ด้วยมีแค่องรวมหรือองประชุมของธาตุที่ไม่เป็นชีวะในองเล็บอุตุนิยามเป็นอยู่เท่านั้นอาชีวิตินรีคือโลกที่ไม่มีภาวะของชีวะนี้ในโลกที่แม้จะมีความเป็นอินซีอื่นๆที่พลังงานอุตุ หรือพลังงานอุตุใดๆจะยิ่งใหญ่เก่งกาจมหาศาล ร, ริดแรงยิ่งในด้าน <c oughs> อาชีวิตินซีคือโลกที่ไม่มีภาวะของชีวะนี้ในโลกที่แม้จะมีความเป็นอินซีอื่นๆหรือพลังงานอุตุใดๆจะยิ่งใหญ่เก่งกาจมหาศาล ริดแรงยิ่งในด้านไหนสุดแรงสุดเดชปานไหนก็ตามเช่นในดวงอาทิตย์นี่แหละอาชีวิตินรีซึ่งเป็นโลกอุตุนิยามยังไม่มีพลังงานของความเป็นชีวิตอยู่ในโลกนั้นทีนี้โลกที่มีชีวิตินรีบ้างคือโลกที่มีภาวะของชีวะหรือที่ภาษาบาลีว่าชีวิตินรีนั้นก็เข้าใจได้ทันทีว่า ในความเป็นโลกหรือองค์ประชุมถ้ารวมกันตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปหากเคลื่อนตัวเองได้ในระนาบเดียวก็เป็นชีวะขั้นหนึ่งเคลื่อนตัวไปมาได้แค่ในแนวระนาบสองมิติเท่านั้นที่เคลื่อนตัวได้ในชนิดนั้นแต่ถ้าแม้มีองศาแห่งมิติที่3คือเริ่มมี ภาวะที่สเป็นสา ม, มิติขึ้นไปเริ่มแยกตัวออกเป็นมุมเริ่มมีองศาจากสองมิติวงจรก็จะเริ่มเกิดวงวนเป็นโลกที่มีความเคลื่อนหมุนจากสองมิติแนวระนาบขึ้นมาหมุนรอบตัวเองได้จะเริ่มเป็นวงรีพาตัวเองวนเ ว, วียนไปอยู่ในมหาเอกภาพในมหาเอกภพนี้ ก็ด้วยวงรีกล่าวคือเป็นสิ่งหนึ่งในองรวมของสรรพสิ่งทั้งหลายที่ปรุงแต่งกันอยู่เป็นสัดส่วนซึ่งเป็นสัดส่วนและมีความเป็นตนเป็นของตนแล้วพากันหมุนเวียนไปอยู่ภาวะนี้มีความเป็นชีวะประกอบอยู่ด้วยเป็นองรวมหรือเป็นหรือเป็นองประชุมของธาตุที่มีชีวะนับเป็นชีวะขั้นพีชะ นับเป็นชีวะขั้นพืชในองเล็บผีนิยามถ้าชีวะขั้นสูงขึ้นไปอีกถึงขีดหนึ่งก็เป็นสัตว์ในองเล็บจิตนิยามที่มีวิญญาณครองและมีกรรมครองวิญญาณครองหรือกรรมครองนั้นหมายความว่าแม้จะตายสิ้นชีวิตผ่านแต่ละชาติไป วิญญาณคือพลังงานของความเป็นชีวิตที่ต้องรับสุขรับทุกข์รับลำบากรับสบายกันไปอีกของแต่ละชีวิตหรือวิบากกรรมของแต่ละชาติก็จะยังอวิชชาหรือโมหะในคนที่ยังไม่หมดสิ้นอวิชชาหรือโมหะจึงจะโง่จะหลงสะสมติดยึดกัน ข้ามชาติต่อเนื่องไปมีผลต่อตอนเองหรือต่ออัตาของสัตว์นั้นๆต่อไปยังไม่สิ้นสุดลงง่ายๆยังไม่สิ้นสุดลงได้ง่ายๆส่วนโลกสองที่ได้แก่โลกชีวะที่ยังไม่ถึงขั้นวิญญาณมีแค่รูปประสัญญาและสังขารในองเล็บผีชันิยามกับโลกชีวะที่ ถึงขั้นวิญญาณมีรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณในองเล็บจิตนิยามโลกชีวะที่ยังไม่ถึงขั้นวิญญาณมีแค่รูปสัญญาและสังขารที่บาลีว่าผีชนนิยามนั้นมีแค่รูปสัญญาสังขารรูปคือสิ่งมีภาวะองค์ประกอบของดินน้ำไฟลมหมู่หนึ่งที่มีพลังงานชีวะระดับปรุงแต่งหรือสังขารกันอยู่ ชื่อว่าผีชะนิยามเป็นพืชพันธุ์ชนิดหนึ่งมันก็จะต้องดารงเผ่าพันุ์ของมันเองให้เป็นไปได้ด้วยตนเองรูปเป็นวัตถุธรรมเป็นภาวะที่ให้นามมาธรรมอาศัยได้หรือเป็นภาวะที่ให้นา ม, มารมสัมผัสรู้จักรู้แจ้งได้แต่รูปเองไม่สามารถรู้อะไรได้ แม้จะเป็นนามรูปก็เป็นแค่นามธาตุอยู่ในตนเองที่ให้ธาตุรู้อื่นเข้ามารู้เอาได้เท่านั้นส่วนสัญญานั้นคือธาตุรู้ที่มีหน้าที่กาหนดรู้ภาวะต่างๆทั้งรูปทั้งนามได้และเมื่อมันทาหน้าที่สัญญานั่นคือมันก็จะกําหนดรู้ทุกภาวะที่ได้สัมผัสและสัญญา มันก็มีคุณสมบัติจําได้ได้วยว่าอย่างนี้คือภาวะที่ต้องเอามาใช้ในชีวิตตนมันก็เอาภาวะนั้นมาใช้ให้แก่ชีวิตเป็นประโยชน์แก่ชีวิตตนมันก็พยายามเอาตามกรรมวิธีที่จะพึงเอาให้ได้แค่ไหนก็แค่นั้นถ้าอย่างนี้ไม่ใช่ก็ไม่เอาอะไรเอาได้ก็เอา เอาแล้วก็ปรุงแต่งขึ้นให้เป็นตามเชื้อชาติหรือเผ่าพันธุ์ของตนต่อไปเรียกว่าสังขารพีชนิยามหรือพืชมีรูปสัญญาสังขารแค่นี้ไม่มีเวทนาคืออารมณ์หรือความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุ ข, ไ ม, ไ, มสขไม่รักไม่โกรธไม่จองเวรใคร หรือจองเวรอะไรข้ามชาติจึงไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีกุศลไม่มีอกุศลผู้มีธาตุรู้ขั้นสามารถรู้ก็จะรู้ว่าพืชมีรูปเนึ่งเล็บสิ่งที่ถูกรู้ได้ด้วยสัมผัสหกรู้ว่านี่เป็นพืชชนิดหนึ่งส่วนตัวพืชเองมันก็จะมีพลังงานชีวะที่รู้ว่านี่คือสิ่งที่พืชต้อง เอามาทำชีวิตของตนให้ยังอยู่ได้ต่อไปเจริญดีพลังงานชีวะของพืชมีแค่กำหนดรู้เรียกว่าสัญญาแล้วพืชเองมันก็สังขารชีวิตของมันไปเท่านั้นและมีตายตายไปก็ไม่มีจองเวรจองกรรมสัญญาและสังขารของผีชนิยาม จึงไม่มีพลังงานที่วือหวานอกกรอบที่ตนมีตนเป็นไม่ต่ําไม่สูงจนเป็นผลเสียผลดีอะไรเกินที่ทมีที่เคยมีพลังงานทํางานไปสม่ําเสมออยู่ตลอดกาลนานจึงไม่เป็นภัยแก่โลกเพราะมีแค่รูปสัญญาสังขารส่วน โลกชีวะที่ถึงขั้นวิญญาณที่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่บาลีว่าจิตนิยามนั้นก็มีครบทางรูปและนามครบขันห้าซึ่งมีเวทนาและมีวิญญาณนี่เองที่เป็นตัวเลวที่ร้ายได้สุดๆและเป็นตัวดีมีและเป็นตัวดีที่มีคุณค่าประโยชน์ได้สูงสุดวิเศษยิ่งจริงๆนะ เพราะมีเวทนาและมีวิญญาณนี้แหละที่เป็นตัวการใหญ่ที่ทำให้จิตนิยามถึงขั้นได้ชื่อว่าผู้สร้างโลกสร้างจักรวาลหรือผู้ทำลายโลกทำลายจักรวาลหนึ่งเล็บจบฉบับที่298